ทั้งหมดแกะรอยตามไปอย่างเร่งรีบรอยที่ปรากฏอยู่ชัดทำให้สะดวกแกการติดตามยิ่งขึ้นพอลงจากเนินป่าศักเข้าสู่ดงผ่เชิงเขาอีกฝ้าระพินก็บอกในจ้างของเขาได้ในทันทีว่ากระทิ่งฝูงนั้นบายหน้าลงสู่ทุ่งแฝกอันเป็นบริเวณที่ราบโรงระหว่างวงร้อมของขุนเขาใหญ่ตัดป่าภายไปอีกสักคู่ก็คงก็ถึงดงผากกับป่าน้าพุงดอ เราจะแยกกันออกเป็นสองพวกอ้อมไปดักที่ทุ่งแฝกถ้าจะได้ยิงก็ได้ยิงในทุ่งแฝกนั่นแหละครับและคงไม่เกินภายในชั่วโมงข้างหน้านี้เราจะแบ่งพวกกันยังไงเชษฐาขอความเห็นแล้วแต่คุณชายภายหลังจากตึกตองรอบครอบคู่เดียวอดีตทูตทหารโบกหัวหน้าคณนะเดินทางก็บอกว่าเอางี้ผมจันแล้วก็ชายยานแยกกันไปพวกนึง คุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะผมกับชัยยันคุ้มครองตัวเองได้เพียงแต่อาสายจันในการแกะรอยเท่านั้นฝากน้อยไว้กับคุณด้วยให้แง่ทรายไปกับคุณอีกคนหนึ่งพลาดพลั้งฉุกเฉินยังไงน้อยก็ยังมีคนคุ้มกันชนิดไว้วางใจได้ถึงสองคนตกลงครับจอมพรานรับคำอย่างสงบแล้วก็นำรุดหน้าต่อไปอย่างระมัดระวังทะลุดงผายซึ่งหนทางราดตามลงเป็นลาดับ เหมือนจะเป็นสัญญาณให้ทราบว่ากำลังจะลงไปสู่ตีนเขาพอเข้าเขตพงน้ำสลับไปกับป่าไ้ผูมิประเทศแห้งเกรียมไม่ทึบเหมือนอยู่ในหุบพื้นดินเปน็นฝุ่นหนารอยอันขัดขา ด, ดหายหายเหล่านั้นก็ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นระพินกับจันตรวจรอยซุบซิบหาดือกันอยู่อึดใจเดียวก็หันมาโบกมือเรียกกลุ่มนายจ้างซึ่งสงบรออยู่เบื้องหลังทุกคนเดินตรงเข้าไปที่เขาเตรียมตัวได้แล้วครับ พรานใหญ่กระซิบเบาที่สุดพวกมันอยู่ในทุ่งแฝกข้างหน้าเรานี่เองห่างไม่ถึงหนึ่งกิโลเราจะแยกทางกันที่นี่แหละจันคุณชายได้ชายยันอ้อมไปทางซ้ายนี่นะครับจันจะนำทางเองส่วนผมแง่ซ้ายและคุณหญิงจะตัดป่าหวายไปทางขวาโอเคระวังตัวหน่อยนะครับเขาเตือนเป็นประโยคสุดท้ายเชื่ากับชยยันหันมาลีตายิ้มให้ แล้วย่องกริบแยกทางไปโดยเร็วตามการนำของจันส่วนระพินก็ผ่ะไปทางด้านขวาโดยมีหม่อมราชวงหญิงดาลินตามติดอย่างแคล่วคล่องเป็นพิเศษผิดไปจากยามปกติเพราะกำลังตื่นเต้นแง่าสายตามอยู่ข้างหลังข้ามห้วยแหง้งแคบๆแห่งหนึ่งแล้วคลานไปตามด่านเล็กๆใต้ซุ้มเถาวันอันเป็นทางเดินของสัตว์เล็กหญิงสาวคืบคลานตามเขาไปอย่างทรหดเกินความคาดหมายเดิมของระพิน หลายท่อหลายครั้งที่ระพินหยุดนอนหมอบนิ่งเพื่อสดับฟังเสียงดาลินขยับปากจะพูดอะไรด้วยแต่เขาแตะริมฝีปากไว้เป็นเครื่องหมายไม่ให้ทำเสียงใดๆทั้งสิ้นครูหนึ่งก็หันมากระดิกนิ้วเรียกให้แงซ า, ายซึ่งนอนหมอบอยู่เบื้องหลังให้เข้าไปใกล้ได้กลิ่นหรือเปล่าสาบของมันคล้ายๆจะมาจากป่าฟากทางด้านซ้ายนี่เขาจอ่อริมฝีปากชิดถูแงซ า, ายพูดแบบไม่มีเสียง หนุ่มชาวโดงนักพนจรก้มลงเอาหูแนบลงกับพื้นดินและตอบเขาในอาการเดียวกันแต่ผมได้ยินเสียงทางดงหวายด้านขวานี่พรานใหญ่เม้มริมฝีปากพยายามใช้โสไดนาสิกประสาทอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าในเรื่องการฟังเสียงและดมกลิ่นกันแล้วเขาถนัดสู้พวกพรานพื้นเมืองไม่ได้เพราะมันไม่มีหลักที่จะพิสูจน์ชัดอะไรได้สักอย่าง คล้ายๆจะเป็นลักษณะพลายกระซิบเสียมากกว่ามันเป็นวิชาลึกลับของพวกชาวป่าที่บางขณะก็ผิดไม่เป็นท่าและบางขณะก็ถูกต้องกับความจริงราวกับตาเห็นเลือพินช่างใจอยู่อึดใจหนึ่งก็บอกว่าถ้างา น, นฉันจะแยกไปทางป่าผากส่วนแกไปทางป่าหวายถ้าไม่พบก็ไปเจอกันที่ทุ่งแฝกข้างหน้าแง่า ย, ายก้มหัวรับแล้วคลานรอดถวานแยกไปอย่างเงียบกริบราวกับการไปของงู รพินสกิดนายจ้างสาวของเขาให้รอดซุ้มเถาวันโผล่ออกไปในระหว่างด่านใหญ่และเดินเลาะละและเดินเลาะลัดไปตามด่านนั้นเสียงนกกระราง ร, งร้องร่างอยู่ตามกิ่งไม้และบินกันว่อนรพนินเดินเดินหยุดหุดอยูย่ครู่ใหญ่หัวคิ้วขมวดอย่างรังเลครั้นแล้วก็หันหลังกลับดาลินจ้องมองดูเขาเหมือนจะถามด้วยสายตาพรานใหญ่เบ้ปากยักไหลบุยใบยเป็นความหมายว่าไม่ได้ผล และให้ย้อนรอยตามหลังแง่ทรายไปดีกว่าการเดินตามแง่ทรายเขาไม่ได้ย้อนเดินทวนไปตามถนนเดิมที่เดินมาแต่แรกทว่าตัดพงไม้เตี้ยเตี้ยเข้าไปในดงผากแล้วก็วกออกมาพบกับด่านเล็กๆชี้ให้หม่อมและชวงหญิงดาลินมองดูที่พื้นอันหนาไปด้วยฝุ่นหญิงสาวยิ้มออกมาเล็กน้อยที่มองเห็นรอยเท้าของแง่ทรายาย่ำไปตามด่านนั้นระพินเบี่ยงทางบุ้ยปากให้รอนเดินตามรอยเท้าของแง่ทร า, ายไปข้างหน้า ส่วนเขาเดินข้างหลังดาลินไปแบบตามคำสั่งโดยดีสาวเทาว้ทาตามรอยนั้นไปอย่างรวดเร็วตาก็สอดสายค้นหาตัวเจ้าของรอยเท้าไปเบื้องหน้ากระชับไรเฟิลพร้อมอยู่ในมือครั้นแล้วทันใดนั้นอุ้งมือของจอมพรานก็ตบปปลงบนไหล่ของดาลินอำนาจการจับชนิดนั้นทำให้หลอนหยุดชะงักอยู่กับที่อย่างกะทันหันเหลียวขับมาดูเขาก็เห็นว่าระพินไม่ได้มองอยู่ที่หลอน หากจะ ต, ต้องจ้องตาลุกลงไปที่พื้นเบื้องหน้าของหล่อนหัวคิ้วขมวดย่นหญิงสาวหันกลับไปมองตามสายตาของเขาโดยเร็วแล้วยืนขนลุกซาทั้งกายบนพื้นซึ่งประทับเป็นรอยตลอดระยะด้วยรอยเท้าของแง่ทรายนั้นณบัดนี้ปรากฏอุ้งตีนของสัตว์ชนิดหนึ่งย่ําซ้อนลงไปเป็นรอยสดๆร้อนๆ น, นี่เองและสัตว์ที่เป็นเจ้าของรอยตีนชนิดนี้แม้คนที่ไม่ชํานาญกับรอยเท้าสัตว์ป่าอย่างหม่อมราชวงศ์หญิงดาลิน ก็สามารถบอกได้โดยไม่ต้องลังเลว่ามันคือเสือขนาดเคืองจากหลักฐานที่เห็นอยู่นี้ยืนยันให้ทราบได้ในทันทีว่าเสือกำลังย่องแกะรอยแง่ทายไปเราพิกว่าสายตาอย่างรวดเร็วรอยเสือที่เหยียบทับรอยเท้าแง่ทายเพิ่งจะมาปรากฏเอาตรงนี้สแสดงว่ามันโผล่ออกมาจากพงทึบและเดินสะกดหลังแง่ายไปตามด่าน เสียงนกระวังภัยและฝูงข้างร้องเกลียวอยู่ยังยอดไม้หนาทึบเบื้องหน้าแล้วก็เงียบเป็นปลีบทิ้งเหมือนป่าทั้งป่าจะตกอยู่ในมนต์กดกิ่งไม้แห้งจากที่ใดที่หนึ่งไม่ห่างออกไปนักหักตกลงมากระทบพื้นหัวใจของหญิงสาวเต้นแรงกระซิบเสียงสัน่นเขารู้ตัวหรือเปล่าว่าเสือมันเดินตามไปข้างหลังอย่าพยายามพูดอะไรเลยตามหลังผมมาพรานใหญ่บอก แล้วก้าวล้านำหน้าหญิงสาวก้มลงตรวจรอยไปอย่างรวดเร็วด้วยฝีเท้าเบากริบรอยเสือที่ย่มตามหลังแง่ทรา ย, ายปรากฏอยู่ช่วงหนึ่งก็ขาดหายไปแล้วก็ปรากฏขึ้นอีกสลับกันอยู่เช่นนั้นแสดงว่าบางขณะมันก็เดินซ้อนรอยเท้าเขาไปตามด่านและบางขณะก็อ้อมวกซ่อนตัวเขาพกงลกแต่สะกดหลังแง่ทรายไปทุกระยะ ไม่มีปัญหาแง่าสายจะต้องไม่ทันรู้สึกตัวเฉลียวคิดถึงมฤตยูที่ย่องตามหลังอยู่ในขณะนี้อย่างแน่นอนเพราะเขาเองก็กำลังพวงอยู่กับการติดรอยกระทิงเบื้องหน้าพรานใหญ่สันนิษฐานได้ในทันทีว่าเจ้าเสือตัวนี้คงจะแอ บ, บเมียงมองเห็นเขาด่าลินและแง่าสายอยู่ก่อนทุกระยะแล้วพร้อมทั้งจ้องรอคอยจังหวะอยู่พอเห็นแง่า ย, ายแยกทางไปคนเดียวซึ่งเป็นโอกาสปลอดเหมาะอย่างยิ่งสาหรับมัน ยิ่งเรื่องอาวิธีตามรอยแง่าสายมากกว่าที่ตามเขากับดารินซึ่งมีจํานวนสองคนอันยากกับการจืดโจมหนทางนั้นคดเคี้ยวไปตามป่าหวายอันสลับซับซ้อนแต่ก็มีด่านแยกตัดไปมาพอที่จะสะดวกในการเดินรอยของแง่าสายลึกเข้าไปในพงทึบตามลําดับบางขณะเห็นรอยที่หนุ่มชาวดวงหยุดซุ่มฟังเสียงแต่รอยของเจ้าเสือก็หยุดหมอบคอยดูอยู่ด้วยระยะเวลามันกระชั้นชิดหรือเกิน ในระหว่างการย่องตามของเสือและการสะกดรอยซ้อนมาอีกทีหนึ่งของรพินจนกระทั่งไม่สามารถจะทายได้ถูกว่าเมื่อไรวินาทีวิกฤตที่สุดจะเกิดขึ้นอันหมายถึงว่าเสือตัวนั้นกระโจนเขาใส่แงซายณนะที่ใดที่หนึ่งในหนทางข้างหน้าอันคงไม่ห่างออกไปเท่าไหร่นักรพินเองในยามนี้ก็ไม่อาจเยือกเย็นอยู่อีกต่อไปเขาเดาอะไรไม่ถูกทั้งสิ้น ชีวิตของแงซายแขวนอยู่บนความเป็นความตายอันหมายถึงว่าระหว่างการรอคอยจังหวะกระโจนตะคุบของเสือตัวนั้นกับการตามมาเห็นมันได้ทันของเขาอะไรจะก่อนอะไรจะหลังเท่านั้นดารินเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่เห็นกับสายตาได้ดีเกินกว่าที่จะต้องอธิบายอะไรกันหล่อนเต้นไปหมดทั้งสมองและประสาทมือที่ถือปืนสั่นน้อยๆหัวใจระทึกแทบจะระ ง, งับไว้ไม่อยู่ นาทีตัดสินที่กำลังจะมาถึงเบื้องหน้าเป็นความทรมานเหมือนรออยู่ในนรกคิดอะไรไม่ถูกนอกจากจะติดตามรพินไปอย่างกระชั้นชิดเท่านั้นและปฏิบัติตามพรานใหญ่ทุกระยะไม่ว่าเขาจะหมอบคลานหรือคืบความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยร้าอิดโอยที่บุก ป, ป่าฝ่าดงมาทั้งวันบัดนี้ไม่ได้เหลืออยู่เลยอีกสองช่วงของอึดใจใหญ่ต่อมาภาพอันสั่นสะเทือนความรู้สึกที่สุด ก็ปรากฏขึ้นในสายตาของรัพินและดารินพร้อมกันในระหว่างแมกไม้และกิ่งก้านของวาวรกลุ่มใหญ่อันย้อยอยู่ระเกะระกะท่อนยาวของอะไรชนิดหนึ่งกวาดวาดเคลื่อนไหวช้าๆอยู่ที่จอมปลวกเตี้ยมองครั้งแรกคล้ายงูแต่ไม่ใช่แน่เพราะขาหลังที่โผล่พ้นซุ้มไม้ออกมาชนิดวับแวมนั้นเป็นพื้นเหลืองพาดด้วยลิ้วดำเสือรายพาดก่อนตัวนั้นหมอบอยู่ที่นั่น และกำลังว่าถางไปมาไม่ผิดอะไรกับแมวเห็นแต่ส่วนหลังห่างจากมันออกไปประมาณสิบห้าหลาเป็นกิ่งไม้แห้งที่หักกองอยู่กับพื้นทักเก่งกะลกะโปรงตาอดีตนายทหารกองโจรกะเหลี่ยงผู้มาสมัครเป็นคนใช้ของคณะเดินป่านอนพังภาพเหยียดยาวอยู่ที่ตอไม้ใหญ่สายตาของเขาเพ่งมองไปเบื้องหน้าพร้อมกับหูที่เงี่ยจับเสียงหาได้ฉเฉลียวคิดแม้แต่นิดเดียวไม่ว่า มัจจุราชดอคอยเขาอยู่เบื้องหลังขณะนั้นทั้งรพินระดาลินย่องมาถึงโคนกระรางใหญ่ในลักษณะคลานและโดยที่ไม่ได้หันมามองดูอาการของกันและกันเลยต่างยกไรเฟื่องที่รากตามหลังมากับพื้นขึ้นประทับบ่าพร้อมกันจะเป็นด้วยอะไรไม่ทราบได้หม่อมระชวงหญิงดาลินไม่สามารถจะร่างกายปล่อยกระสุนออกไปได้เหมือนใจนึกลักษณะของหล่อนประทับปืนเลงค้างเหมือนถูกสาบ ตาทั้งสองเบิกโพงเหงือผุดเต็มใบหน้าเสียงหญิงสาวอึกอักอยู่ในลำคอแต่สำหรับพระพินเขายังไม่รัานไกลเพราะค้นหาเป้าหมายสำคัญไม่ได้ถนัดกะไม่ถูกว่าตำแหน่งใดคือศีรษะหรือก้านคอของมันเพราะพงไม้ที่อําพางตาอยู่แต่และวินาทีสุดท้ายของการตัดสินก็มาถึงหน้าบัดนั้นแง่ท า, ายไหวตัวจากท่านอนราบมาเป็นคุกเขา่าทาท่าเหมือนจะคืบหน้าต่อไป เสือร้ายก็เปลี่ยนจากท่าหมอบยันขาหลังขึ้นและพิบตานั้นเองก็ปรากฏเสียงฮอกสนันป่าเงาสีเหลืองสดับดำกระโจนวูบตัดแสงตะวันบ่ายสองลอดลงมาข้ามปงไม้แห้งตรงก็หาแง่ทรายราวกับสายฟ้าแลบระพินภัยวันวาดปากกระบอกไรเฟินตามพร้อมกับกระดิกนิ้วเสียงกระสุนจหระเบิดกบเสียงคำรามอย่างดุร้ายของมันและซ้อนๆกับเสียงปืนในมือเขา ไรเฟินขนาดเดียวกันจากมือของดาลินก็แผ่ตามหลังดังประสานกฤษสถานดงเจ้าป่าหมวนตัวหงิกงอกลางอากาศก่อนที่จะถึงพื้นซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่แงส า, ายสะบัดตัวเองอย่างรวดเร็วจนไม่น่าเชื่อกลิ้งตัวหนีหลบไปทางซ้ายลายพาดก่อนตัวนั้นกระโจนลงมาถึงตำแหน่งที่แงส า, ายคุข้ขาวอยู่แต่แรกอย่างแม่นยำปะทะกับตอไม้เสียงพลากผิดไปจากเป้าหมาย เพราะเหยื่อที่มันหมายตะคุบฉากหลบไปเสียแล้วจะด้วยสติที่ได้ยินเสียงคำรามหรือเสียงปืนก็ไม่ทราบได้มันชักลิ้นชักงอปัดเป็นวงกลมฝุ่นกระจายห่างจากตัวแงาสายไม่เกินห้าเมตรรวพินพรวดขึ้นยืนในพริบตาต่อมาปืนในมือกึกก้องขึ้นอีกครั้งส่วนดาลินยิงซ้ำมาในขณะที่ยังนั่งคุกข่าอยู่ในลักษณะเดิมหล่นยิงจนกระทั่งเสือตัวนั้ น, นอนตะแคงเหยียดยาวอยู่กับพื้น ไม่ได้กระดิกกระดี้อีกเลยแม้แต่ส่วนหางจากเสียงปืนที่ประดังทียิบทั้งสองกระบอกนั่นเองสิ่งที่เกิดตามมาในทันทีทันควันนั่นก็คือเสียงป่าหวายเบื้องหน้าไม่ห่างออกไปเท่าไรกันแตกถล่มหักพินา娜เสียงฝีเท้าที่ควบตะบึงราวกับแผ่นดินจะถล่มโครมครามห่างออกไปอย่างรวดเร็วราวพายุกระทิงฝูงที่แหงาสายอุษาแกะรอยมาจนจวนจะถึงตัวอยู่แล้วฝูงนั้น พากันรู้ตัวกระเจิงหนีเพราะเสียงปืนสนั่นวันไหวที่ยิงเสือพรานใหญ่กับหม่อมละชวงดาลินวิ่งตรงเข้าไปแง่ท า, ายก็กระโดดขึ้นยืนทั้งสามไม่ได้พูดอะไรกันในขณะนั้นนอกจากจะจ้องหน้ากันและกันด้วยความรู้สึกอันไม่อาจบอกถูกแล้วหันไปมองดูซากเสือที่นอนสงบนิ่งอยู่อย่างหมดฤทธิเดชใบหน้าสีทองแดงของหนุ่มชาวดงปรากฏรอยยิ้มขึ้นน้อย แล้วเสียงห้าวกังวานแจ่มใสก็ดังทำลายความเงียบขึ้นว่าผมเป็นหนี้ชีวิตของผู้กองกับนายหญิงรเพีนโครงหัวช้าๆพร้อมกับถอนใจเฮือกหม่อมราชวงหญิงดาลินปาดแขนขึ้นเช็ดเหงื่อบนใบหน้าสีหน้าของหล่อนยังซีดเผือดนั่งอย่างหมดแรงลงบนตอไม้พูดเสียงสั่นพร่าขอบใจสวรรค์ดีกว่าที่บรดาให้พรานใหญ่เกิดสังหรณ์ใจเดินสะกดหลังเธอมา มันชั่วเซี่ยวของวินาทีเท่านั้นนะแงซา ย, ายฉันนึกว่าฉันจะขาดคนใช้ที่ดีอย่างเธอไปเสียแล้วเราเหนื่อยเปล่าเสียแล้วครับกระทิงอยู่ข้างหน้าเหล่านี้เองห่างไม่ถึงร้อยหลาผมคิดว่าอีกม่ก่อึดใจก็คงได้ยิงแต่เดี๋ยวนี้มันเพ่นไปหมดแล้วชีวิตของแกมีค่ามากกว่ากระทิงระพีนต่อพูนห้วนสุดกายลงที่รําต้นไม้ร้ม งัดบุรีออกมาจุดสูบเป็นตัวแรกของระยะเวลาที่เดินมายาวนานพิงปืนไว้กับกิ่งไม้ส่วนหญิงสาวมีความรู้สึกหมดเรี่ยวหมดแรงขึ้นมาในทันทีนั้นเหยียดเท้าทั้งสองยาวราบไปกับพื้นหล่อนถูกน้ําเกี่ยวเนื้อตัวรายไปหมดเลือดออกซิบๆอยู่ทั่วไปแง่ซายคงมีอาการเงียบๆ เ, เป็นปกติอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ตื่นเต้นตกใจอะไรเลยกับวินาทีดักจิตที่ผ่านมาหยกๆเดินเข้าไปพิจารณาซากเสือ แล้วชี้ให้รัพินดูที่บาดแผลก่าเน่าเฟะแผลหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่ที่ตะโพของมันอันเกิดจากรอยกระสุนปืนแก๊ปของพวกกระเลียงเสือตัวนั้นเป็นเสือรำบากทนทุกเวทนาจากการตามล่าของมนุษย์มาก่อนขนาดของมันย่อมกว่าไอ้กุฎมากแต่ก็ใหญ่พอที่จะตบคนให้คอหักได้ในพริบตารอยกระสุนปรากฏอยู่สี่แผลนัดที่จบชีวิตของมันได้อย่างเฉียบขาดคือนัดที่ตัด ก้านคอและซีกขาหน้าอีกสองนัดเจาะชายโครงและท้องไม่รู้ว่าเป็นกระสุนจากใครกันแน่เพราะลูกปืนขนาดเดียวกันผมมัวแต่ฟังเสียงอยู่ข้างหน้ามันกระชันชิดเข้าไปเสียจนลืมคิดถึงข้างหลังสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะได้ยินเสียงนกมันบินตามร้องลั่นแต่ก็ไม่ได้เฉลียวคิดผู้กองกับนายหญิงรู้ได้ยังไงว่าเสือมันย่องตามหลังผมมาฉันกับนายหญิงย่องไปทางป่าผา รานใหญ่บอกรู้สึกว่าถ้ามันจะไม่ได้ความหลืชวนตามหลังแกมาเห็นรอยตีนมันย่าทับรอยตีนแกไปราวกับว่าแกจะเดินจูงมันทีเดียวแหละวันนี้เลิกไม่ดีเสียแล้วตามต่อไปก็ได้นี่ครับลงพบรอยกระชั้นชิดแบบนี้แล้วก็ไม่ยากรพระผินสันศรษะไม่ไหวหรอกนี่มันจวนข้ามเต็มทีแล้วถ้าขืนตามก็ข้ามคืนข้ามวันแน่ๆเจ้านายของเราท่านคงไม่คิดสนุกด้วยแน่สาหรับวันนี้พอเพียงแค่นี้ก่อน แล้วนี่เราจะทํำยังไงกันพวกนั้นแยกกันไปอีกทางยังไม่รู้เรื่องกันเลยหญิงสาวถามขึ้นเปืดเลยเปิดกระติกน้ําออกดื่มนั่งพักรออยู่ที่นี่นะครับพวกนั้นได้ยินเสียงปืนและไม่พบกระทิงประเดี๋ยวก็ตามรอยมาที่นี่เองตรงตามที่ระพินบอกทุกอย่างทั้งสานั่งคอยกันอยู่ที่นั่นประมาณ10บกว่านาทีก็ได้ยินเสียงกู่เรียกแ ว, วเข้ามาระพินป้องปากกูต่อบออกไปจากนั้นครู่เดียว จันก็เดินอ้าวนำเชียถากับชายยานโผล่ซุ้มไม้ออกมาอย่างรีบร้อนเสียงเชียถากับชายยานตะโกนถามลั่นก่อนที่จะเข้ามาถึงตัวเพราะต่างได้ยินเสียงปืนลั่นถี่ยิบและเสียงกระทิงที่เพนป่าร่าไปแต่แล้วพอวิ่งเข้ามาถึงเห็นเสียรายพาดกรถูกยิงนอนตายอยู่ก็งงไปหมดดาลินทาหน้าที่อธิบายพวกนั้นฟังโดยละเอียดจึงรู้เรื่องกัน บุญหรือเกินที่คุณเกิดเฉลียวใจเดินตามหลังแง่ทรายไปและทันเหตุการณ์พอดีไม่งั้นละ่ะยุ่งทีเดียวเรื่องกระทิงนาะช่างมันเถอะไม่สำคัญหรอกเชษฐาพูดขึ้นด้วยเสียงแจ่มใสตามองจับอยู่ที่ระพินอย่างชื่นชมและไว้วางใจอย่างเต็มที่ไอผมก็นึกว่าทางด้านคุณนี่คงจะซัดกระทิงเข้าเป็นการใหญ่แล้วได้ยินเสียงปืนรัวลั่นไปหมดแล้วยังได้ยินเสียงพวกมันวิ่งกันป่าล่าไป พวกเราเดินกันไปถึงทุ่งแฝกแล้วยังไม่เห็นวิวแววของมันเลยชายันเอ่ยเสริมเดินเข้าไปนั่งยองๆพิจารณาดูซากเสือตัวนั้นพร้อมกับจุกปากรั้นไอ้วายร้ายตุการนี่ทีเดียวกําลังจะได้ยิงกระเทงอยู่รอมลอดันเสือเข้ามาขัดจังหวะเสียได้ไม่ขัดเปล่าซ้ําจะถลกหนังหัวพวกเราเสียอีกแล้วเขาก็หันไปทางเพื่อนสาวถามยิ้มๆต่อมาว่าเป็นยังไงน้อยตื่นเต้นดีไหม เราไปเชิญเหตุการณ์เองพร้อมกับพระพินไม่ใช่เหรอหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินเป่าลมออกจากปากทำท่าเหมือนจะเป็นลมฉันมือตีนเย็นไปหมดนัดแรกที่จะยิงก็ยิงยังไม่ออกเพราะลืมปลดเซฟคลอ ด, ดีที่พรานใหญ่มาด้วยถ้าลำพังฉันคนเดียวพอมันขยา่าแง่ทรายเสร็จก็คงจะหันมาขบขมอชั้นอีกคนหนึ่งเป็นแน่ผมก็เห็นคุณหญิงยิงมันพร้อมกับผมตอนที่มันเพ่นใส่แง่ทราย รับผินหันไปมองดูรอนอย่างสงสัยหญิงสาวยิ้มจืดจืดสั่นศีษะสารภาพว่าเปล่าหรอกมันเป็นเรื่องบังเอิญน่ะฉันควรจะยิงมันก่อนคุณโดยยิงในขณะที่เห็นส่วนหลังที่มันหมอบอยู่แล้วแต่ในขณะนั้นความตื่นเต้นทําให้ฉันลืมปลดเซฟเลยเหนี่ยวไกไม่ออกพอปลดเซฟได้ก็พอดีกับที่มันกระโจนจึงดูคล้ายๆกับว่าฉันจ้องจะยิงมันในขณะที่มันเพ่นเข้าใส่แง่ทรายแบบเดียวกับวิธียิงของคุณ แต่ถึงยังไงก็ไม่ใจเย็นหรือว่าเชื่อฝีมือของตัวเองจนถึงกับกล้ารอคอยจังหวะให้มันกระโจนเข้าใส่คนของเราสิก่อนแล้วจึงจะยิงเหมือนคุณหลอกประโยคสุดท้ายหล่อนพูดเหมือนจะตำหนิเขาพรานใหญ่หัวเราะเฉยๆในลาคอผมก็ไม่ได้ใจเย็นหรือว่าเชื่อฝีมื อ, อไรหรอกครับคุณหญิงที่ผมไม่ยิงในครั้งแรกทันทีที่เห็นก็เพราะเห็นมันไม่ถนัดคํานวณไม่ถูกว่าส่วนไหนเป็นจุดตายของมัน เพราะเห็นแต่หางกับเท้าหลังโผล่ออกมานิดเดียวถ้านัดแรกพลาดก็ต้องลำบากตามการเป็นวันเป็นคืนอีกเหมือนคราวไอ้ ก, กุดแต่ก่อนอื่นถ้าเรายิงทันทีได้แม้มันจะไม่ตายเงยทรายก็ยังปลอดภัยเราควรคำนึงถึงชีวิตคนของเราก่อนอื่นใดทั้งสิน้นไม่ใช่มาคำนึงถึงอยู่ว่าถ้ายิงออกไปแล้วเราจะได้ตัวมันหรือไม่ใจช น, นะค่ะที่เราแกะรอยตามหลังมันมานั้น ทั้งๆ ท, ที่ฉันยังไม่เห็นตัวฉันก็ยังอยากยิงปืนขึ้นฟ้าให้มันเกิดเสียงเอะอะขึ้นมันจะได้ตื่นตกใจเลิกคิดเจ็ดจ้องตะคบุบแงทรายเสียในทํานองเดียวกันเสียงปืนก็เท่ากับเป็นการเตือนให้แงทร า, ายรู้ตัวแต่ฉันไม่กล้าออกความเห็นอะไรในขณะนั้นเพราะคุณทําหน้าเหมือนกับจะฆ่าฉันเสียถ้าฉันจะพูดอะไรออกมาในตอนนั้นคุณเป็นคนเลือดเย็นแล้วก็เฮี้ยมเหลือเกินนะอุตส่าหย่องแกะลอยมันไปจึงกระโจนเข้าใส่แงทรา ย, าายคุณถึงยิง ฉันว่าถ้าจะให้ดีคุณควรมีกล้องถ่ายรูปไว้ด้วยสักกล้องหนึ่งถ่ายภาพตอนนั้นไว้เป็นที่ระลึกสิก่อนแล้วจึงค่อยยิงเรพินเอาหูทวนลมเสียกับเสียงประชดหนิบแนมของหล่อนเชษฐาตัดบทมาว่าเอาเธอหน้าอย่าเถียงกันอยู่เลยแงซายปลอดภยัยและเราได้เสือตัวนี้เป็นสิ่งที่เราพอใจแล้วรายการแกะรอยกระทิงสําหรับวันนี้ก็ขอให้ยุติโรงเพียงนี้ก่อนกลับแคมป์กันดีกว่าเย็นเต็มทีแล้ว ทั้งหมดพักกันอยู่ที่นั่นอีกประมาณครึ่งชั่วโมงรอคอยจันท์กับแง่ทายถลกหนังเสือตัวนั้นเสร็จจึงบ่ายหน้ากลับแคมป์ในเที่ยวขากลับนี้พานใหญ่นําตัดทางลัดเป็นคนระทางกับเที่ยวขามาซึ่งย่นระยะลงอีกเว้นไว้แต่การเดินต้องบุกพงสูงและไต่เขากันมากกว่าเมื่อตอนมาเขานําออกเดินไปตามสบายไม่เร่งร้อนนักตะวันรับสันเขาวด้านหลังไปแล้วอากาศในดงเริ่มขมุกขมัว แต่ยังพอเห็นอะไรได้ชัดเจนในระยะที่ไม่ห่างออกไปนักถึงแม้จะไม่เตือนทั้งเชษฐถาดาลินและชายยันก็ไม่มีใครประมาทเพราะผู้มีประเทศแวดล้อมที่ผ่านมากลุ่มนายจ้างของเขาเดินสนทนากันเบาๆไปพรางแต่ตาสอดสายกวาดหาไปรอบด้านอย่างไม่ไว้ใจเงยสายกับจันช่วยกันหาบหนังเสือปิดท้ายขบวนมาเบื้องหลังพอต่เนินขึ้นด่านช้างเก่า หมีหมาฝูงหนึ่งประมาณหกตัวก็พากันวิ่งตื่นตามกันเป็นขบวนตัดหน้าไปในระยะห่างเพียงยี่สิบหลาการโผลพ่พรวดพลาดออกมาจากป่าข้างทางโดยไม่ทันรู้ตัวของพวกมันทำให้ทุกคนชะงักชายยันกับดารินตวัดปืนขึ้นบ่า พ, พร้อมกันแต่เชษดาร้องห้ามไว้สิคทันก่อนที่คนหนึ่งคนใดจะลั่นไกลจงอ่างตัวย่อมย่อมขนาดแขนอีกตัวหนึ่งเลื้อยตะกายหนีไปตามพงไม้เตี้ยเมื่อเข้าเขตป่ายาง ทั้งหมดหยุดตรงอีกครั้งเฝ้ามองมันจนกระทั่งเลื้อยลับหายไปโดยไม่มีใครคิดจะฆ่ามันเพราะเห็นว่าไม่จําเป็นตามปกติแล้วถ้ามันไม่หยุดแล้วชูคอขึ้นก็แปลว่ามันไม่คิดจะเล่นงานเราควรปล่อยให้มันไปจอมพรานบอกเอเจอไอ้ตัวพันนี้เข้าบ่อยๆถ้ามันจะไม่เหมาะนะแถวนี้ชุมหรือเปล่าผมบอกตามตรงว่ากลัวมันเสียยิ่งกว่าไอ้ลายหรือไอ้หัวโตเสียอีก ชัยยันทำท่าขนลุกพึมพำอยู่ในรำคอแล้วพินมองดูหน้าแล้วยิ้มก็ปรับลายเท่านั้นครับไม่เรียกว่าชุมถ้าขืนป่าหวายทินของไอ้แหว่งเมื่อไหร่แล้วก็ต้องระวังกันให้มากหน่อยดงของมันเลยด่านแล้วด่านเล่าห้วยแล้วห้วยเล่าที่พลานใหญ่นำบุกบันรุดหน้าไปอากาศยิ่งมัวรงทุกขณะเข็มนาฬิกาข้อมือของหม่อมราชวง์หญิงดาลินชี้เวลา 17.15 น ทั้งๆ ท, ที่บรรยากาศเริ่มเยือกแต่เหงื่อของหลอนท่วมกายเหมือนอาบน้ำแง่า ย, ายผู้หาบหนังเสือคู่กับจันรับอาสาที่จะช่วยถือปืนให้เป็นการแบ่งเบาภาระแต่หญิงสาวสันศีษะอย่างทรหดมานะไม่ต้องหรอกแง่ายฉันถือไปเองก็ได้แต่นายหญิงเหนื่อยมากแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกออกจากกลมช้างไปแล้วเราคงจะยิ่งกว่านี้สักพันเท่าไม่ใช่หรือ ใจจริงหล่อนอยากจะให้แง่ า, ายช่วยถือปืนให้จะได้เดินตัวเปล่าซึ่งคงจะช่วยบรรเทาความหนักและความเหนื่อยอันแทบจะก้าวขาไม่ออกในขณะนี้ลงไปได้บ้างแต่พอมองไปทางพรานใหญ่เห็นรอบชำเลืองพบตากันเข้าพอดีความเหนื่อยความหนักก็ถูกอำนาจทิฐิแรงกล้าเข้ามามีอิทธิพลอยู่เหนือเมินเสียเิดที่คนอย่างหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินวราริจะยอมให้ตาพรานคู่อริยิ้มเยาะได้ หล่อนบอกกับตัวเองในใจแล้วก็เชิดหน้าสาวเท้าเคียงบ่าเคียงไหลต่อไปอีกนานไหมกว่าจะถึงแคมป์หล่อนแข็งใจถามเมื่อเร่งฝีเท้าเข้ามากระทบไหล่ไก่ขันก็ถึงเป็นคำตอบเบาๆที่ได้ยินกันเฉพาะสองต่อสองแล้วก็สาวเท้าอ้าวทิ้งระยะห่างออกไปอีกอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยผิดคนหญิงสาวกัดริมฝีปากนึกอยากจะคว้าก้อนหินขึ้นมาคว้าหัวเสียให้แตก ด้วยความเดือดดาจัยหยุบปุดๆไร่เฟิลอนจุดสาห้าในมือของร่อนในขณะนี้รู้สึกเหมือนหนักสักร้อยกิโลก ร, รัมก็ไม่ปานแขนล้าไปหมดแทบจะคลอนอยู่ไม่ไหวระหว่างที่ต่างเดินตามทางลาดลงไปสู่โตรกลึกตอนหนึ่งทันทีนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงพงทึบเตี้ยเบื้องหน้าเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงเสียงขู่คำรา ม, ลามและเสียงร้องแหลมกึกก้องของสัตว์ชนิดหนึ่งฟังได้ชัดว่าเป็นเสียงหมูป่า พงที่เห็นไหวๆอยู่เบื้องหน้าทางซ้ายมือหักรูระเนนแต่มองไม่เห็นตัวเพราะระยะห่างออกไปมากทั้งหมดถูกปลุกให้ตื่นเต้นขึ้นอีกครั้งแต่ละพินยกมือขึ้นยับยั้งไว้ให้หยุดอยู่กับที่หมูป่ามันกําลังฟัดอยู่กับอะไรเชษฐาพูดขึ้นเร็วจอมพรานจ้องไปที่บริเวณพงไม้ทึบที่ไหวแรงไปมาราวกับจะมีอะไรโอมารอยู่เบื้องล่างนั้นก่อนที่เขาจะตอบคําใดออกไป เสียงวีดแหลมยาวของเจ้าสัตว์ประเภทหมูก็สิ้นเสียงสงบนิ่งไปมองเห็นพงรกเบื้องหน้าอันเป็นเป้าหมายเดิมไวเป็นทางห่างออกไปจนกระทั่งเงียบสนิทคงจะเป็นหมาในครับจับฝูงช่วยกันเล่นงานหมูป่าละพินบอกเขาแล้วสาวเท้ารุดแหวกพงตรงเข้าไปยังตำแหน่งที่หมายตาโดยเร็วทุกคนบุกตามเขาเข้าไปอย่างกระชั้นชิดสิ่งที่เห็นภายในพุ่มเล็บเหนียว หมูป่าตัวขนาดปานกลางตัวหนึ่งนอนตายอยู่บริเวณรอบด้านในอนณาเขตไายตารางว่ามีรอยดิ้นรนต่อสู้แหลกยับเยินที่น่าประหลาดใจชวนสยดสยองที่สุดก็คือบาดแผลเวอะห ว, วะเป็นโพรงกว้างที่ก้นของหมูป่าตัวนั้นมันถูกลางเอาเครื่องในออกไปเสียแล้วด้วยศัตรูของมันที่มีความรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อประมาณดูกับเสียงร้องของหมูและเสียงของการต่อสู้เมื่อครู่นี้ ซึ่งห่างการเพียงไม่กี่อึดใจรอยเลือดจากเครื่องในที่ถูกลากไปหยดเลี้ยเป็นทางไปในห้วยแหง้งโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยทําไมมันถึงรวดเร็วขนาดนี้เจ้าหนี้ร้องขาดเสียงประโยกหยกนี่เองก้นกลวงไปเสียแล้วชายยันร้องออกมาก้มลงสํารวจดูซากหมูป่าที่เพิ่งจะขาดใจตายสดๆร้อนๆ อ, อย่างใกล้ชิดจงหมาชนิดนี้ปากคมร้ายกาดแล้วก็เร็วมากพรานใหญ่บอกเรียบเรียบ หลายครั้งมาแล้วที่ผมเห็นมันล้อมวงเล่นงานหมูป่าแบบนี้ได้ยินเสียงมันฟัดกันแล้วก็เสียงหมูร้องพอเจ้าหมูร้องขาดเสียงก็แปลว่ามันลาเครื่องในออกมาเสร็จแล้วไม่เคยเข้ามาทันเหตุการณ์สักทีวิธีล้วงเอาเครื่องในของมันก็คือกัดทางก้นอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละทําไมมันจะต้องล้วง เ, เฉพาะเครื่องในไปเท่านั้นหรือเชี่าถามบ้างจ้องมองภาพนั้นอย่างทึ่งๆประหลาดใจก่อนอื่นมันจะควักตัวเครื่องในไปก่อนครับ เป็นธรรมเนียมของเจ้าสัตว์ชนิดนี้ทีเดียวส่วนซากมันอาจย้อนมากินทีหลังฝูงนี้อย่างมากก็เห็นจะไม่เกินสามสี่ตัวสังเกตดูจากรอยมันจะต้องได้กลิ่นพวกเราพอล่ากเครื่องในออกมาได้ก็เปิดหนีไปทิ้งซากไว้มันเล่นงานคนด้วยหรือเปล่าเสียงตื่นตื่นของหม่อมของหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินถามแทรกขึ้ น, นก็ยังรับรองไม่ได้แน่แต่เท่าที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นมันเล่นงานคนตัวมันไม่ใหญ่ตัวอะไรนะัก ไอ้ที่กลางคืนดึกๆมันร้องตามลมมาเหมือนเสียงคนหัวเราะอย่างที่คุณหญิงเคยได้ยินบ่อ ย, อยๆนั่นแหละแล้วเขาก็หันไปถามหม่อมราชวง์เชษฐาถึงเลือกซากหมูป่าอันเป็นผลพลอยได้จากเจ้าหมาในฝูงนั้นหัวหน้าคณะเดินทางสันหน้าปฏิเสธทิ้งมันเถอะแล้วพินเราไม่มีลูกหาบมาด้วยแบกไปก็เป็นภาระของจันทร์กับแง่า ย, ายเปล่าๆเนื้อของเราก็เหลือเฟือบานเบียงแล้ว อีกอย่างหนึง่งไอ้หมานายฝูงนั้นมันจะแช่งชักหักกระดูกเราหาว่าแย่งอาหารของมันพวกมันอุตส่าห์ลงแรงไว้ประโยคท้ายเชษฐาพูดด้วยอารมณ์ขันพรานใหญ่หันไปโบกมือกับจันและแง่าสายซึ่งเตรียมจะตัดไม้ทำคันหามบอกให้ทิ้งซากหมูป่าตัวนั้นไว้ตามเดิมแล้วนำออกเดินทางต่อไปทั้งหมดมาถึงแคมป์ในเวลาเข้าใต้เข้าไฟพอดีและก่อนที่จะทันได้พักเหนื่อยนั่นเอง ทุกคนที่เพิ่งจะกลับมาถึงก็เผชิญกับข่าวร้ายชนิดที่ทำให้ถึงกับตะลึงพึงเพลิดไปในทันทีที่ได้รับทราบบุญคำผ่านพื้นเมืองอาวุโสของรพินที่ได้รับคำสั่งให้นําหนังของไอ้กุดย้อนกลับไปยังหนองน้ําแหง้งโดยแยกกับคณะใหญ่ที่เขาโรนก่อนที่จะเดินทางมายังโป่งกระทิงเมื่อเช้าของวานนี้บัดนี้ได้เดินทางติดตามมาถึงแล้วบุญคำรุดมาถึงบริเวณที่ตั้งแคมป์เมื่อเวลาบ่ายสี่โมงเย็นนี่เอง อันเป็นเวลาที่ระพินนำคณะนายจ้างออกแกะรอยกระทิงเขาจึงเฝ้ารอคอยการกลับของพานใหญ่และคณะนายจ้างอยู่ด้วยความร้อนรุ่มกระสับกระส่ายทันทีที่เห็นจอมพรานผู้เป็นหัวหน้านำนายจ้างเดินทางกลับมาถึงบุญคำก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้าไปหาระพินและรายงานเร็วปือแทบจะฟังจับต้นชนปลายไม่ถูก